ยิ่งใจยงลำบากลำบากใจทุกทีเห็นเธอต้องแชร์ดือนแชร์ดือนกดไลค์ทีมองลวมันสั่นทำหัวใจปั่นไม่ให้วันยังไงชอบทำมาเป็นหยอดเดียดยโดนกอนชอบชวนมาคุยแบบคนรู้ใจอยู่ดีก็จ้องตาชอบคอยส่งยิ้มมาเอรมเกินไป ขอหน่อยแม่นในชักไม่โอเคทำมีบ่อยเงี้ยพอฉันริ่าใจจะนับหนึ่งถึงหนึ่งท้ายเองกวนใจอย่าโวยกันนะกูบอกแล้วนะ ชอบฉันไม่คุยแบบคนรู้ใจอยู่ดีก็จ้องตาชอบคอยส่งยิ้มมาเอเรมเกินไปก็ บ, บ้าบอขอหน่อยเม้นในชักไม่โอเคทำมีบ่อยเงี้ยบ่อยฉันริ่คาใจจะนับหนึ่งถึงหนึ่งถ้าองอวนใจอย่าโวยกันนะก็บล